แต่ม้ผู้าการคือสระดับรับฟังทำจากพระโอษของพระองค์ตังหน้าต่้งตาสะดับรับฟังจริงจังแล้วก็เข้าคิดที่รัติเจนาธรรมะสี่พระองค์แสดงออกไปจากพระโอษตขอไปสอนใจของตนเพราะทุกคนมีธรรมะ อยู่ในตนเดียวกันทุกคนน่ะแต่เพราะว่าสติปัญญาจะนคิตทุกนาธรรมะในตนในสู่จะมีธรรมะที่เท่ากระจ้แสดงออกไปก่แสดงออกจากตายจากใจแสดงของมีอยู่ไม่แค่ว่าหาเรื่องอื่นซึ่งในมีม ในบุคคลมาสแสดงเมื่อสแสดงเรื่องขางมีอยู่ใจจำทุกท่านทุกคนอย่างนั้นพู้ฟังผู้สนใจก็ไขคิคิดนี้ิี่จะณาาตามไข ใ, ใจทํามะเรื่จิตใจละถอนเรื่องที่เหลือกัแหาเป็นตัวบาสิทคาถาอนาถาอหัน นั่นเป็นข่าวที่พระพุทธเจ้าของพวกเรายังทรงทายอยู่แไดงธรรมะจากพระโอษฐ์ของพระโองฐ์ผู้สระดับรับฟังก็ตั้งใจอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอย่างท่านจึงไปสะดับรับฟังพอท่านเอ๋อธรรมะขึ้นเข้ไปถึงหูลู้ถึงใจขอผู้สดับรับฟัง ตอนาำนำธรรมะนั้นนั้นใกล้ทว่พิจารณาเึียได้ชั้นเล็ต่อหน้าต่อ ต, อตาต่อพระพักของพระองค์กาลังแสดงความอยู่บางท่านาบางคนตอนนำธรรมะนั้น้าฝึกฝนอบรมต่อไปเขียนด้เหนนักเขียนลเกิดขึ้นด้จิดในใจของตน ศาสนาจนยังยืนขาบอลมาถึงพวกเราทุกวันนี้และผู้แสดงธรรม็นผู้บริสุทธิ์ผู้สระดับรับสังเป็นผู้ตั้งใจทีนี้ที่จามาหาใครและช่วยบำเพ็ญดีเจนเจนสัตส์ทีเหาาา ว, าวานอูเห็นใจจากในจิดในใจว่ากาบบรระดับรับสังเกตการปฏิบัติ เ ด, เด่นเน้นทางให้จิตใจด ไ, ได้รับความสว่างสวัยให้จิตใจได้รับความสุขสมัยพระพุทธเจ้ายนนังคงท้านอยู่เป็นอย่างนั้นแต่สมัยปัจจุบันที่พวกเราฟังการบารมนทั่วไปวันพระถ้ า, าสดับรบสตังในวัดในวาบางท่านบางคนสดัถาสร่างวิทยุธรรมะ สมัยนี้มีดาบดินเลยตายจนของสิ่งนั้นมีถ่ามีราคาแตกในเหมือนสมัยพุทธการผูดแสดงคำสมัยนั้นก็แว่าผู้สบะับรับฟังก็อยากจะสระดับรับฟังจริงใจเหมือนกันกับคนที่เหิวไปตัวอาหานเข้า ก็รับประทานมีรสาตอร่อยๆยิ่มน้ำสำราญแตสมัยปัจจุบันธรรมะมีมาตามตำรับตำราก็หาอ่านจนไม่ชนะจะอ่านทั่วถึงตามวัดตามอาก็มีครูบาอาจ า, ามมรย์แบดงหรือก็นอกนั้นยังมีวิทยุอต่จำครอบครัวจ เพราะเออด harma ้นโดยส่วนใหญ่น่าอยากจิตวิทยุเสี้ยทหาเออเชิงรือเรื่องต่างๆน่าอยากกระดับรับฟังกันคือควาหิวควต่างหายในเรื่องอยากกระดับรับฟังธรรมะในส่วนนี้เม็กบื่อเหน และอาใจในการสดับรับจังจิตใจของพวกเราท่านเมื่อเป็นอย่างนั้นจะได้ชื่อว่าพวกเราเป็นพุทธะาสาธุนิสัยคนคนดีได้ไหมหาเราเคาควรที่จะนาพันจิตใจของพวกเราท่านเหมือนแห่าจากธรรมะในครอบพอในธรรมะ ครรมะเป็นยาสำหรับพวกเราระดับรับฟังไปจึงทำจิตทำใจแต่รับความเดือดร้อนแต่รับความทุกข์ไม่พอจิตพอใจไม่เพอบเทนอไม่จีตจุไมล่ลมใจเหมือ น, นดูมหาลักษณ์ทุกเงินต่างๆขาดตามที่นึกที่จะเลขาดสติปัญญา ถ้าแห่คนเข้าก็บเป็นคนที่ไม่ชอบยากนณีทำมะเด้วยยาประเภทนี้จะไป ร, รักษาไข้แต่เพือนนั้นเป็นอันหนัแห่ยิ่งฉีดเท่าไ ย, ยิ่งดื่นเท่าไรยิ่งท้าเท่าไรโรคประเภทนั้นก็ยิ่งำกำเริบขึ้นในวันสงบ ในวันแห่ส่วนเรื่องนอกออกไส่จากธรรมะหรือว่าสนุกสนานสุขสวรรค์ตามเห็นตามได้ยินเราไปถูกระเพิดอื่นเทียบถูกระเพิดที่ในใส่ธรรมะอาจเป็นยาก็ไปเสวยยา อยู่ในําหับกําราของพาะาศกระดาษุเราถูกยาของเทวะาถูกยาของผู้ไม่ตกี่ปฏิบัติเมื่อทำด้ไหนเมื่อคำนึงคำนวณถึงรายได้รายเสียในตัวของเราเป็น่ไรเมื่อจิใจแหงเหวงจากธรรมะในข้าวคในเรื่องธรรมะในตั้งหน้าปฏิบัติธรรมะ จิตใจถื่อไปแคาเพราะจบชอบเงนินจิดใจสื่อไายินดีเพศโ ท, เทนเรทางโลกเราทามสุสนุกสนานที่เราใช้จิดตามมาใช้กระดับรับฟังมาใช้เห็นมาสุสนุกสนานขนาดไหนองจิดอยางใจเขปลกเราห้าจาท ขัด ข, ข้องสมองหลือยังเรามาเดินมาช่งมาที่นี่เพืามาตรวจตาเราตรวจของเราเมื่อเป็นอย่างนั้นการเถิดโทนเห็นแผ่นการชอบการจุดแลเวื่องภายนอกมันก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะเพียงพ อ, อรวริบูรณ์เพราะมาันคิดดูคุณค่าสาระประโยชน์จากการมีการฟังถ้าคิดดูคุณ หาสารประโยชน์จากที่เราได้เหนได้ยินแบบนั้นแต่เราไปดูเหมือนว่าเราสดใสในู้กีทุนที่มองอยู่ได้ความสุขสนุดเพลิดเพลินเราการดูสั่วคู่สั่วเวลาพากลับมาจิตใจเป็นอย่างไรเพิ่มความทุกข์เดือดร้อนเพิ่มที่เหลือปัญหาหรือหาก เล็ดละเบาบางใสทุกท e e ่านได้ที่เจอมาเรื่องเหล่านี้จะดีกับเรื่องมรรอและผลเรื่องที่เราชอบชิดชอบติดตามนั้นๆจนสิ่งที่วยาะเย้ยชวนให้หลงตั่วกางตั่วเวลาหาสาระประโยชน์อันแท้จริงมองมี ยินดีแต่ยเยอะวแล้วก็มีทุกข์ความร่ามเข้ามาส่วนธรรมะของพระพุทธเจ้าหาเราชอบพอยินดีอย่างมหาลักษณพอได้ยินว่าจะแสดงธรรมในแต่ฐานถอที่นั้นที่นี้อุชาพยายามพักชวนกันไปในว่าผู้เท่าผู้แฉผู้เล็กเบ็ดเบนยินดี ติดว่าจะเดเตยบรับัตธฟังคำทำสังขรณขอพระพุทธเจ้าจะนำใจพิรุธพิจารณารู้เื่อเวลาฟังก็ตั้งใจสดับัรับฟังจริงจไงในสักเท่าฟังก็เสียในบ้านฟังเหตฟังผลนีรุธพิจารณาจิตใจทั้งตนกับขามันต้งขัดันเลื่อมลอยจิตใจของเราเข้าถึงธรรม หรือยังอย่างไรเมื่อา ท, าที่นี่ที่าขงวนด้วนคำกับจิตใจอยู่เสมอมันเอาคำเขา้ากเขา้าระเ ข, าข้าผัดผีอยู่เสมอจิตใจที่เคยเมื่อดนจิตใจที่เคยขวดแพะจิตใจที่เคยลาโมกจิตใจที่เคยมีสุนอันหนึ่ ทำตัวของตัวเองในชอบม่พอ ใ, ในขาดที่ จ, จินยา่จิตมันแสดงออกมาจากตัวเองเพราะว่าเรื่องของจิตคือเป็นจิตเป็นใจอาไัเรื่องของจิตเหนคือสังแน่นอยู่ยในจิตในใจเราได้ทำะ เอาฟอตคอยซักขอจรักษาจิตใจชนิดนั้นนบวันนับบนนเวลาที่จะเกิดคามสว่างไสวจะเกิดคามเยือกเยนพอใจเริ่มตีตุในการจะทำมันเถอะหในการกระดับรับใจขอกเราไม่ช่างนิดที่จะมามาคิดหาเรื่องทำนะเข้ามาหาใจ จะั้งอยากเหีัยนบ้าเขาฟังเราก็ฟังกับเขาก็จิตใจของเราเราเหีเรื่อเราสู่สัญญาอมอะไรเราเราเคยนมกเคยค่ดเคยคิดเจอมาใจนั้นไปตามสัญญาอารมอยู่อย่างนั้นพอท่านเกิดจบหรือเอกวังผัวสาธุเร่องแคนี้จะฟังไปสักร้อยปีพันปีหมื่นปี จิตใจจะให้ดีดีเสริมละขอนจิเใจจิตคล่องเราตนดาของคนย่อมเป็นไปไม่าด้ธรรมะ ข, ของพระพุทธเจ้าถึงจะตรงยาดีเสริมสำหรับอับไล่ทิเอตว่าจิตของคนก่าตาั้งแคนไม่ยอมทำนั้นเข้าไปกำลังสายสเข้าไปนีิตที่เจอาน่ ใน ม, มีสมมติในมีปัญญาตรวจสอบตัวเองของนะ้าหาธรรมะธรรมะต ป, ป็นของมีค่ะมีสาราประโยชน์อะไรเป็นของที่กาวประโยชน์พวกเราเคยระดับรับฟังกันมาเป็นเวลานานสี่น้ำหรับสะดับรับฟังเรื่องธรรมะ แต่จิตใจของพวกเราท่านเป็นอย่างไรเราคิดวิจารณ์มาไหมแต่จิตใจมันสว่างไสวจิตใจมันอยากมันยนมันเห็นคุณเห็นประโยชน์จากการสดับรับฟังจากบบจาการตระหนึปฏิบัติหากในเว้นคุณค่าและประโยชน์ในการจะทําบำำําเพ็ญในว่าเรื่องธรรมหรือเรื่องโลกเราก็ย่อมไม่ มีใจในพอใจไม่อยากทําสําหรับเขอทําไรทําสวนหรือทำนาฆ่ า, าขายเพราะจะต้องผลนดอกผลกำไรในทางํารทำมลส น, นของเขาเมื่อย่างนั้นเขาไม่กล้าที่จะกระทำพอทํำไปขาดคุณยับเยินไม่ได้คุณขาดสารประโยชน์อะไรคุณถูกลงไปกว่าไม่ได้กำไรถึงจะเกิดออกหน่อต่อใบ ก็ไม่มีใครเล่าเขาจะมั่นใครเล่าเขาจะพายันไปแต่ทำในงานเหมือนนั้นฉันใดผู้ ป, ปฏิบัติธรรมะทางใจถ้าหากได้ได้ไม่เห็นไม่เป็นขึ้นก็อ่อนใจเสียใจและไม่ก้าที่จะแต่ทำบำเพ็ญไปเพราะไม่มีคาระประโยชน์อะไร ทำใจกับเหนือยเหนื่อยทำใจกัเสียเวลาสู่การหลับการนอนการเล่นการพนนอย่างอืนน่นไม่ได้ที่ทำนม้ยังคงเ้นคงวายังมีสาระประโยชนสําหรับผู้ต่างหน้าต่างตาระเทศปเิดขึ้เห็นไปจากพัดใจในการจะทำบำเพ็ญของท่นยิ่งเราจะทำบำเพนหนักแน่นเท่าไปเท่าไรจิตใจจะต้อง มีความละเอียดอ่อนจิตใจจะต้องได้รับสัมผัสจากธรร ม, มะมีความสุขทุกเวลาสติรักษาไม่ปล่อ ย, ยจิตใจลอยไปตามปัญญาอารมณ์ต่างๆแต่ตื่ติต่อในขาดระยะรักตอนปัญญาเสี่ยมสอนเรื่องจิตที่เมตชิตลงแต่ต่างๆไปในทางสิด ว่า่ใช่ใคของนักบัณฑิยมควรคิดควรฝุงสิงใดที่เป็นธรรมเป็นด้วยไหนจึงใทงดที่ได้สติปัญญาได้วิชาความรู้จึงใดที่จำจัดปัดเต่าหย่อนจุดใจของเราโ้ยเต่าหมองขุนมัวตกออกไปจุดใจที่เต้าผ่องใสหย่อนโยนละเอยียดเข้าไปทุกวันทุกเวลา มันที่นิจะเรนาการที่จะเรนาธรรมะธรรมะจะต้องเกิดขึ้นเปนขึ้นบอกขึ้นในท่านผู้ประทศปฏิบัติเกิดนั้นเรื่องศาสนาจึงยังยืนขาวรมาถึงพวกเราได้พากานศึกษาได้พาการสดับรับฟังได้พาการะติปฏิบัติตามแต่คือพวกเราท่านยังไม่เห็นผลอย่าไปเหนาตน ว่าเป็นคนอาภาัพวาสนาเพราให้ตั้งหน้าทำจริงทำจรงพระธรรมะมีส่วนเล็กธรรมะเป็นของละเอียดธรรมะเป็นของขีดมีคุณค่าสูงหากเราไม่ตั้งหน้าตั้งตาฝึกผลอบันจิตใจท่องสม จ, จึงจจะยังข้าไปถึงธรรมะได้ยากธรรมะ จนข้าจุดสัตวูตูปบบุ้ยช้อนกับคนหนกะับคนทานไม่อยากจะคิดจะอ่านไม่อยากจะระอฤตฏิบัิไม่ยินดีไม่พอใจไม่เลื่อมใสใไม่เรื่องธรรมะแต่เทาว่าบุคคลผู้เดาคมจิดค่มใจทัง้งสนเกดผลออกมถึงมันจะไม่พอก่อทีว่า ทำมานี้ถ้าแหกเราคมจิตคมใจฝึกอบรมได้จะเป็นผลเป็นประโยชน์ในชีวิตของเราเหมือนตังกับเขาบังคับคนไข้กินยาที่สาเสี่นหรือขมแต่ถ้าว่ากินลงไปแก่ลมแก้อต่างๆภายใ น, นกายของเขาให้เหือดหายจะได้ไดเมื่อเขาข่มจิตค่มใจบังคับคนไข้ ถ้รับยาชนิดนั้นโรคไทก็นับวันนับเวลาที่จะหายหน้าหายตาโรคไทรอยตกออกไปโรคไทรอายไปเท่าไรร่างกายก็ยืนมีําลังร่างตายขึ้นเท่านั้นผลที่สุดโรคไทรอหมดร่างกายก็ปกติดีงามจะไปจะมาจะยืนจะเดนจะนั่งจะนอนระดวกสบายทั้นเดา จ, จิตใจต้องพวกเราท่านที่หนาแน่นไปด้วยที่เหนื่อยตันหาที่ได้พราใจยินดีในการปฏิบัติธรรมะขอควให้พวกเราท่านความจิตข่มใจประพฤตปฏิบัติไปเพราะเมื่อประพฤตปฏิบัติไปจิตใจที่เคยสายแสจิตใจใจืดชืดห่วร้อนจิตใจจืดชืดหงงเหงาเานาอนจิตใจจืดชืดฟุ้งฟุ้งต่ตงต่างๆ จะรับความสงบจะรับความสงัดจะดรับความสบายจากการบังคับบัญชาให้ภาวน า, าให่จะทําความดีเมื่อเราเห็นเราคนรจากการกระทําบบำเพ็ญของตนเราจะเชื่อเพียงทำขนาดนี้ก็ยังเห้นผลแต่จากแทบเพียงในตนทวามสุขอันอีน่นหมื่นแสนที่เราเคยผ่าน ม, มา จากหูจากตาจากจมูกจากลิ้นจากสัมผัสต่างๆจึ่งเราเคยหลงกับความสุขในโลกในเพียงแฉ่นี้เรามีอันอื่นแบบประเสบวิเศษขนาดแบบนี้แต่เมื่อประพฤติปฏิบัติทำจุดได้รับสัมผัสจากธรรมจุดเป็นธรรมจิตเห็นธรรมความสุขของธรรมเป็นความสุงที่เลิศ เราสุขความสุขคือเราเคยสุขเคยท่องเคพอใจเคยยินดีเขี่ยเชียงกันลงไปกับเรื่องความสุขที่ใจได้รับความสงบใจได้รับสัมผัสจากธรรมหิดตลางไกลเราจึงเรื่มใสเราจึงยินดีเราจึงพอใจในตามแต่เพืปฏิบัติธรรมหากใน ค, ค น, คคนจิตคนมใจต้องข่มเชื่ก่อน จะปล่ยให้กี้เล็ดตัณหานำเน่จะปล่อยให้กี้เล็ดตัณหานำพาเรื่องจิตใจก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะได้รับความสงบสงบัดและพอไปสัาผัสกับทํามได้ทุกท่านทุกไลาที่ต่อเพื่ปฏิบัติจะต้องฝ่าศีลสิ้นธรรมเพราะเชื่อมัน่นในโอวาชของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตัดเลาะแหละท่านตัดความสีล ทุกสิ่งทุกประการไปแต่ที่เรา <c oughs> ไม่เข้าใจเราไม่ร่วมใสเราไม่ยินดีเพระพราะที่เหลือของเรามีเป็นเรื่องนั้น้หากเราคมเราบังคับจิตใจชนิดนั้ น, น, นให้ตั้งใจกันป่ิพึ่ปฏิบัติจริงจังก็จะเห็นจะเจนึ้นอาระรัจกาทุกองค์ท่านเคยบังคับบัญชา กายลาจใจของท่านเข้ากับฤทธิปฏิบัติธรรมจนจิตใจของนนท่านคมนิชนานในการปฏิบัติได้รับส้ำผัดได้รับประโยชน์จากการจะทำบําเพ็ญของท่านท่านเชื่อมัน่นท่านยินดีไม่มีวันมีเวลาที่จะเบื่หน่ายอิ่มพอใ น, านการปฏิบัติธรรม ในเหมือนเรืองความสุขของโลกซึ่งดูด่าสุขแต่เราเดี๋ยวก่อนเบื่อหน่ายในพอจิตพอใจเดี๋ยวก็อยากอีกจิตใจของพวกเราท่านมันตื่นตอนเอาเมื่อนอนอย่างยืนในแบบมันเป็นแบบนั้นเยอะกว่ารักเยี๋ยกว่าการเยอะกว่าเกลียดเยี๋ยวกว่าชอบเป็นอยู่แบบนี้แต่ไหนแต่ไรมาแต่เรา ไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่ได้คิดอย่างการได้การเสีย้องจิงตคือจิดคือข้องพอเลยลืมเรียนเลยไม่เห็นโทษเหนชัยในตามจิตการข้องในตามโทษการโทนแบบนั้นหาทุกมมท่นทานกำหนดคิดทุจริตถึงรายได้รายเสีย จากการติดข้องการเกี่ยวพันในสิ่งทั่วไป น, นั้นจะเข้าใจจะลดละจะปล่อยวางในสิ่งที่เป็นติดข้องในสิ่งที่เป็นชอบเันพอใจในเรื่องโลกจะมาสัมผัสจะมาตั้งหน้าปฏิบัติเรื่องข้องธรรมให้นักแน่น้บไปเป็จนจิตใจมีรากฐานอย่างลึก ลงในเรื่องของคำเขาจะว่าอะไรก็ไม่เอียงๆไปตามเพราะเรื่องของคำสัมผัสในจิตของท่านผู้ปฏิบัติอยู่ทุกการทุกเวลารวบรวมเรื่องราวต่างๆจงเชลเป็นข้าศึกศัตรูว่าเยอะๆแต่เรายินดีติดข้อแต่เมื่อจิตใจ เราตั้งมั่นลงไปในทรรจริงจังเรื่องรูปเสียงต่างๆเป็นของมีมาแต่การใดสมัยใดถ้นานหรือเจ้นานะรอบคอบพิจารณาปวดถึงในรูปเสี ย, ง, ยงนั้นนี่เสียงกับเราไต่เป็นของสําคัญไม่เป็นกัตุรุไม่เป็นชาติสึกนี่จะจิตใจท่องตนเป็นช า, าติสึกแฉตนเองคือใบไม้ ไปติดในรูปในเสียงนึ่งนั้นรูปเสียงเพราะมันยินดีเพราะม่นพอใจเพราะมันใส่ร้ายใต้สีไทยใช้ใจชอบเาขาก็ไม่ว่าใช้ใจไม่ชอบเาขาก็ไม่นตันนิ่มันมีอยู่อย่างไรหน้าที่ของมันแก่วนจะอย่างไรแตกกระายจะอย่างไรเป็นไปตามดุลของมันถ้าจุดใจของพวกเราท่านที่ได้พิจารณา รู้เห็นตามเป็นจริงแล้วรู้เสียงเรื่องราวในโลกถึงมันจะมีอยู่ขนาดไหน่ะมาเป็นทุชเป็นไทยสำหรับใจของผู้ประทอบพิบัติถึงทำท่านจะรู้จะเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นแจนมใ้ชัดเจนไม่หลงไม่ผิดมีความสุขความสบาย ยินดย่องผ่องใสอยู่ทุกการทุกสมัยอยู่ในโลกมาสืบในโลกอยู่ในโลกมาคล้องในโลกแต่พวกเราคือเป็นผู้ที่เชมคนหนไม่ใช่คนหยิบไ้าเกิดจดตุปัญญาไ้าเกิดวิชาริมุติการพูดเรื่องธรรมะภายในอย่างนี้ยากที่จะชาดถึงยากที่จะเข้าไปเห็น เพราะจิตในใจเชื่อใจจิตในใจสำคัญจิตในใจรู้จึง ม, มีคุณค่าการะประโยชน์สำหรับเราคุณค่ากระประโยชน์สาหรับเราควมแต่เชียงการเห็นการในยินยินที่เป็นชอบใจยินที่เนพอใจ่วนจะได้ใช่ถึงเรืองธรรมอันละเอยดถูกขุมใช่ต่อไปในส แต่เพงอย่างไรผู้ที่มีจิตใจหนักแน่นเื่อพระพุทธเจ้าเพื่อธรรมของพระพุทธเจ้าเื่อพระวิญสง ấp, ugs, ์จิงบังคับบังาจิตใจสี่หนาแน่นจิตใจสี่จิตค่องเข้าปตัเลปฏิบัติให้อยู่ในขอบเหตรงไม่เตแตม่เหุิมุ่กออกไปจากเรื่องของธรรม เราจะบริกรรมหรือเราจะกำหนดร่างกายทั่วไปจะเหมือนกันบางคับให้มันอยู่ในขอบเขตของธรรมบริกรรมของสนของการพิจารณาตะกอนละลายของสนบางคับเอาไว้จนจิตใจในนี้ช่องทางที่จะรั่วไหลไปตามต้นย า, ารมต่างๆจิตเมื่อผู้บางคับจริงจัง วันใดกวันหนึ่งจิตจะต้องรวมลงเป็นสมาธิเกิดความสงบสงดอัศจรรย์จากการกระทำ่มบำเพนทของตนเ<ด>มื่มอจิตเป็นสมาธิจิตตั้งมัน่นเพื่อในคำคำสั่งสอน ข, ของพระพุทธเจ้าแล้วการจะบังคับบัญชาการที่ จะตล่าต่าตัต่ยนไม่ค่อยจะมีเพราะเหตุใ ด, ดเพราะจิตเชื่อจิตร่วมใ้จิตไดสถ า, านที่จิตยินดีจิตพอใจในเรื่องที่เป็น เ, นเป็นเห็นแต่จากพัดเปนอยนมีในตัวผู้นั้นจะไปสถ า, านที่ใดสนุกระบารับฟังธรรมจากจิตจากใจของตน ไม่แหเหวนจากการสดับรับธรรมเพราะคิดอะไรขึ้นก็เป็นธรรมเหนอะไรขึ้นก็น้ อ, อมเข้าเป็นธรรมณนี้อะไรเป็นข้าวสุดสสจัดจู๋เสียใจใจได้รับความสะดวกใจได้รับความสบายอยู่ความเดียวยิ่งสบายมากมาเพราะไม่มีอะไรมาปุกพลาดแล้วในคิดไดกอ่านกับเรื่องภายนอก มีแต่คนคิดที่จะนินาเ ร, ององรรเรื่องของคำกำลังเสมอไปจิตใจรู้จิตใจเรื่องไหญจิตใจได้ธาติได้ปัญญาได้วิชาอยู่ทุกวันทุกเวลาหากเราคิดนึกตึกไปเรื่องนอกเรื่องวิชาความรู้เรื่องจิตใจอยู่ราภจากอาม สำหรับผู้ปวดหักดัดจิตจึงหาที่สบงบสงัดหาที่วิเรกวางเวสสำหรับต่อพิปฏิบัติเื่อปวดหัดจิตใจแห้ง่ายท่อไปเหตุ่องท่าไปพอตัดสัญญาอารมจากาสาวหูจมูกริมต่างๆระวังรักษาแบ่วานเดียว ด้วยจิตใจที่จะไปเกาะเกีเ่ยวเท่านั้นนะคมันฝึกมันอบรมมันตัดเตวอนตัวของตัวอยู่สม่ำเสมอจิตใจจะต้องเป็นไปทุกท่านทุกคนไม่ว่าพระว่าในว่าสิกสุสามะเนมในว่าเถิดบิงนในว่าเถิดฌาเพราะธรรมะของโมกุสะเจ้าไม่ได้ผูกขาด บาปฆ่าเชื้อก่อนจึงจะปฏิบัติได้พ้าว่าอย่ายอมปฏิบัติไม่ได้หรือผู้ชายเชื้ก่อนจึงจะได้มรกดดมได้ผลผู้หญิงไม่มีวันมีเวลาที่จะได้นรกได้ผลถ้าพุทธเจ้าไม่ผูกขาดอย่างนั้นใครตัง้งหน้าตัา้งตาปฏิบัติใครตัง้งหน้าตัา้งตาศึกษาภาวนาจริงจงคนนั้นแหละจะได้สมบัติอันล้ำค่าเพรจิตใจจะ มีคานสว่างสบายจิตใจจะมีความสงบเยือกเย็นจิตใจจะรู้ด้เห็นสิ่งอัศัยกั์จิตใจจะพ้นไปจากโลกจากสงสารในติดข่องในกัญญาอารมณ์จิตเนเคยโจมเคยติดมาจป็นสมบัติของพวกเราทุกคนที่ควรจะฝึกดนที่ควรจะอบรมให้เกิดให้เห็นให้เต็นขึ้น าหาเรามองข้ามไปเสียถือว่ายังไม่ใช่โอกาสยังไม่ใช่เวลายังไม่ใช่หน้าที่ของเราส่วนความแก่ความเา ท, ท่าความเกีบความตายในเรื่องหนา้าเรื่องตาว่าผู้หญิงผู้ชายในเรื่องหนาา้ า, า, มมานนเรียกตาว่าพระที่สุสามเนนในเรื่องตาเรื่องเวลาเข่งข่าวมาควรร่วมหายตายไป สัวนความดีที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เรายอนไปทางหน้าส่วนความแก่ความเจ็บความตายไล่เข้ามาทั้งหารเราแต่เราจะไปเอาคุณงามความดีเมื่อไหร่สมัยนี้โอกาสนี้เป็นเวลาเป็นหน้าที่ที่พวกเราจะติดจะอบรมจกพิมพ์พิจารณาเรื่องของธรรม ถ้าหากเราไม่เห็นเราไม่เปลียนเราไม่ได้สําขัดไม่ได้บ่มเรื่องของธรรมแล้วถึงพระพุทธเจ้าจะมาไปพักอยู่บนศีรษะของเราแนะนำธรรมสอนอยู่ตลอดเวลาแต่เพราว่าจิตใจของเราครุงแต่งไปตามเรื่องของทีดเตหตุัญหาไม่มีการบังคับบัญชาไม่มีการที่นิพิจารณาตามเรื่องของธรรมก็ไม่รับ้ารับประโยชน์ จากพระพุทธเจ้าอยู่มาแตบแสดงธรรมอยู่บนที่ศักของเราแต่เราสอนตัวของเราสม่ำเสมอไปเพราะเมื่อเราสอนตัวของเราแค่เข้าถึงเรื่องของธรรมแล้วก็จะมีความสงบมีความสงัดมีความเบามีความสบายมัดผลที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้จะไม่ใสาสมบัติของบุคคลผู้อื่นผู้ใด จะเป็นสมบัติของเราผู้ตั้งใจบบตัอพืชติบัตนิเัยว่าคุณงามความดีส่วนนี้ตายไปแล้วเราจีงจะได้รับแต่รับไปจากภาพเงียนเห็นในปัจจุ บ, บันทำคำสัำ่งสอนเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตัดสัตว์รูยังมีชีวิตอยู่นิเัยว่ากริเทธรรมที่ตายไปแล้วจึงใม่ตัดสรู้ธรรม ทุกบททุกบาททุกถ่อยทุกคมที่พวกเราเคยได้ระดั บ, บรับฟังมาหากว่าเรานำมาทีนที่จ น, นิพพานาให้จิตของเรารู้จิตของเราเห็นจิตของเราเป็ น, ปนสิ่งในตามแต่เพื่อจะดีแบบจะมีรสชาติจะเป็นของเออ เ, เออจะเป็นของวิเศษไปเสดสำหรับชีวิตของเราหาก เราไม่มีทำไม่มีความดีความดีอะไรจิตใจหนะที่มีสมันเสมอทีนี้ที่จะนะจะรู้ว่าอะไรจิดอะไรชอบมีอย่างไรชั่วอย่างไรมืดเชื่ออย่างนั้นไม่มีวันมีเวลาที่จะพดไปจบเรื่องของธรรมธรรมดาธรามมืดเราจะคว่างหาอะไรยอไม่ได้ตามคํามขาดแผน แต่ว่าอะไรเป็นที่เป็นไยัยอะไรดีมีคุณค่าเพราะ ค, ามมความมืดแดดขว้างแผไปบางทีเปิดผูกแอลกอฮล์พิตัดต่อยอะไรที่ความมืดเป็นอย่างนั้นส่วนความสว่างจะต้องเห็นไปจากชาัดเจนอะไรเป็นที่เป็นไยัยอะไรควรจับควรคืออะไรควรเป็นของดี ในดีอย่างไรใจจักมีการประเทฏิบัติทางธรรมะทางด้านจิตใจควาใหาใจของเราเกิดความสว่างสวัเมองดีท้องท้วงใจจักแทบใจเสริมไม่เกิดสงสัยในตัวของตัวเมื่อเป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติ ก็รับคุณค่าการประโยชน์จากธรรมที่ะระดับรับฟังไปตั้งใจปฏิบัติเชื่อก่อนจึงจะเห็นผลเห็นประโยชน์หากเราไมบังคับบัญชาจิตใจของเราจะปลายให้ขีเดเน่ยงปัญหานำพาชักจงอยู่อย่างนั้นเห็นบาอาจา ร, รย์ปฏิบททัติธรรมเป็นของลำบากเป็นของยากแล้วก็ไม่ปฏิบัติปฏิบัติกันไปปล่อยเอาไว้ ใี้เีิดตันหางอกงามเสืนทุกวันทุกเวลาจิตใจก็นับวันที่จะหมดคุณค่าหมดสาระหมดประโยชน์เกิดมาก่อมเป็นโมฆะไม่มีสาระอะไรเกิดนั้นขอทุกท่านจงนำธรรมะเสี่ยออธิบายไปนี้ไปที่นิพพานโดยตนเองแต่หกเห็นว่าเป็นทางที่ดีที่ชอบ ควรต่อพื่อปฏิบัติตามโปจงลงมือต่อเพื่ปฏิบัติตามหากเห็นว่าธรรมะแสดงไปเป็นของในดีมีคุณค่าเป็นทางสมุทัยหากทําไปตามคำแนะนํำคาสอนก็จะเกิดทุกขกาะพากันสละละวางเสียในธรรมะที่แนะนํำคาสอนไปส่วนใดเห็นว่าเป็นประโยชน์ เป็นคุณไม่มีโทษสำหรับตัวของตัวต็ต่างหน้าต่างตารักษาหรือต่อพปฏิบัติให้ตาหน้าขึ้นไปเมื่อนทุกท่านมันที่นี่พี่เจ้น่ะตามแนวธรรมะที่พระพุทเจ้าจทรงแสดงเอาไว้จิตใจก็จะได้รับความข่องใสจิตใจก็จะได้รับความเยน็นเย็นตามอธิบายธรรมะ เป็นแบบท้องควันตัวเรือเรือ